ก็จะเริ่มต้นจากความจริงเริ่มต้นจากความจริงที่เรารู้จักอยู่แล้วก่อนมันจะง่ายความจริงที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยก็หมายความว่าเราพูดอะไรไปเนี่ยโยมก็เห็นตามง่ายเช่นความจริงตอนนี้นั่งอยู่รู้ชัดได้ไหมว่าเรานั่งอยู่รู้ชัดไหมว่าเรานั่งอยู่ถูกไหมร้อยเปอร์เ็นเลยไหมว่ารู้ชัดเลยว่านั่งอยู่ไม่ใช่ยืนไม่ใช่นอน เมื่อนั่งอยู่รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่แต่บางทีมันไม่รู้นึกออกไหมตอนที่ไม่สังเกตก็จะไม่รู้เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่อาตมาจะพูดรู้ชัดไหมว่าเรานั่งอยู่ไม่รู้ถูกไหมเพราะนั้นพอเราพูดปั๊บโยมฟังตามแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีมันมีความจริงอยู่ความจริงก็คือ นั่งอยู่จริงสองรู้ชัดจริงจริงรู้ชัดในที่นี้คือรู้แล้วไม่สงสัยคือไม่ถามใครไม่ถามใครว่าเฮ้ยเรานั่งหรือเปล่าอ่าถูกไหมไม่ต้องถามเลยว่าเรานั่งหรือเปล่าก็รู้ชัดก็เรียกว่ารู้ด้วยตนเองนะแต่การรู้อย่างเี้ยถามว่ารู้โดยชอบแล้วยังยังรู้ไม่ชอบยังรู้ไม่ถูกเพราะยังเห็นว่าเรานั่งอยู่ แต่มันต้องเริ่มจากตัวเราแหละนี่ที่พูดมานี่เป็นหลักสติปัฏฐานสูตรเลยนะที่เราสวดมนตนะ์อะเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรอะเรื่องรู้กายอะเ <c oughs> มื่อเดินอยู่รู้ชัดว่าเราเดินอยู่เนี่ยเมื่อนั่งอยู่รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เมื่อยืนรู้ชัดว่าเรายืนอยู่เว้นแต่ว่าเราไม่ใส่ใจที่จะรู้มันจึงไม่รู้ อ, อย่าแวบไปไหนนะให้รู้ชัดอยู่นะ พอแวบปั๊บความรู้ชัดหายเลยเ <laughs> ฮ้ทีนี้เรื่องธรรมะเนี่ยต้องฟังด้วยใจจดจ่อมากฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังด้วยใจจดจ่อมากจะไม่สนใจเรื่องอื่นทั้งหมดเลยถ้าเราสนใจเรื่องอื่นปั๊บวับแล้วลืมคือไม่ได้ยินในสิ่งที่เราพูดเพราะนั้นการฟังธรมรมจริงๆต้องฟังแบบใจจดใจจอ่อแบบนี้เลยอะ ทีนี้ลองทําดูว่ามันทําได้ไหมแต่ว่าทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาโยมดูนะนี้ถ้าพวกเราปฏิบัตนนินั่งเราจะรู้เลยว่าอย่างพวกเราที่ฝึกสติกับชาวบ้านที่เขาเขาไม่เคยฝึกอ่ะบุคลิกยังไม่เหมือนกันคนที่ฝึกเป็นประจําเนี่ยเขาเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นะเว้นแต่ว่าฟังแล้วรู้แล้วมันอาจจะอันตรายเขาก็หันไปดูหน่อยแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยอะไรดังหน่อยรูแค่โวหอหันซ้ายหันขวาหันหมดเลยอ่ะคือมันจิตไม่ทั้งมั่นไม่เป็นสมาธิ อ้าทีนี้เรามาพูดต่อเรื่องเมื่อ น, นั่งอยู่รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่แล้วก็บอกว่าจริงๆอาการเจริญสติมันไม่ใช่แค่แค่รู้อย่างที่ภาษาเขาว่าแค่รู้ชัดว่านั่งอยู่นะมันจะต้องพิจารณาถึงว่าเห็นมีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสื่อมไปบ้างด้วยใช่เห็นการเกิดขึ้นบ้างเห็นการเสื่อมไปบ้างตรงเนี้ยมันอยู่ที่มุมมองว่าจะเห็นการเกิดยังไงการเสื่อมยังไง สมมติว่าเราจะมองถึงการเกิดมีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสื่อมกันบ้าง ก, าก็มองเลยทั้งกายเลยที่เราเนี่ยที่เป็นผู้นั่งเนี่ยมันเสื่อมยังไงก็คือแก่เจ็บตายถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเรานั่งอยู่เนี่ยมีการเสื่อมมีการเสื่อมบ้างมีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสื่อมบ้างก็หมายความว่ามันเกิดมาแล้วไอ้ผู้ที่นั่งอยู่อะเป็นไงแกผู้นั่งอยู่เนี่ยจะต้องเจ็บ ผูนั่งอยู่จะต้องตายตายแงๆ่ๆเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นธรรมะที่มันลึกเข้าไปในเรื่องอกฎใจลักษเลยอะเพราะฉะนั้นการนั่งอยู่ไม่ใช่รู้แต่นั่งมันจะต้องพิจารณาเรื่องความตายด้วยน ะ, ะแล้วก็เวลาเขาบอกว่ารู้กายภายในบ้างรู้กายภายนอกบ้างรู้กายทั้งภายนอกภายในบ้างเป็นยังไงกายภายในก็คือตัวเราเกิดขึ้นบ้างก็คือเกิดขึ้นไก่เจ็บตายไปยกายภายนอก เกิดเนี่ยเราเห็นเลยว่ากายเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นบ้างแก่แก่เจ็บตายไปเหมือนกันเลยเนาะข้างนอกก็ตายข้างในก็ตายทั้งข้างนอกทั้งข้างในตายเพราะฉะนั้นจริงๆหลักธรรมะเนี่ยเป็นการพิจารเรื่องความตายนะทว่ากันเพราะคนเรามันยึดมันกลัวเหลือเกินกับความตายอเออเพราะฉนั้นต้องพิจารเรื่องความตายเห็นอะไรก็เออไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันต้องตายตัวเราต้องตายตัวเราพูดนั่งต้องตาย ตัวเราผู้เดินก็ต้องตายตัวเราพูดนอนก็ต้องตายตัวเราผู้ยืนก็ต้องตายไม่ว่าอยู่อิริยาบถไหนล้วนแต่ตายหมดเลยเนี่ยที่เราปฏิบัติธรรมานานเราพิจารณาแบบนี้เปล่าหรอไม่ฮะโอเครู้สึกตัวรู้สึกตัวพิจารณาเออเที น, นี้รู้สึกตัวเนี่ยจริงๆในพื้นฐานเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นแค่ไม่ให้เราจิตเราเนี่ยมันส่งออกนอกเท่านั้นเองไม่ให้เหมาเผลอเพลินใช่ไหมพอมีสติมันก็กลับมาที่ตัว กลับมาที่ความรู้สึกเอา้าพอเผลอไปอ้ามันก็กลับมาที่ความรู้สึกพอไปเผลอไปกลับมาความรู้สึกเราเชื่อเลยพวกเราเนีย่ยทุกวันเนี้ยพวกเราก็ไม่รู้ใครนะแต่แบบรวมๆนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเอาแค่รู้สึกตัวเบื้องต้นเองเหมือนว่าแค่กลับมาแค่กลับมาพอกลับมาก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวแล้วเรารู้สึกตัวแล้วมันมีธรรมะรายละเอียดอีวกเยอะเพราะว่าคํารู้สึกตัวเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็คือว่าเดิมใจเหมือเพลเพลินพอรู้สึกตัวปั๊บ มันกลับมาก็กลายเป็นรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปจากนั้นเนี่ยมันมีสิ่งอื่นๆที่ยังไม่กลับมารู้อีกมากมายเรายกตัวอย่างเช่นคําว่าให้รู้ตัวเองครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าให้รู้ตัวเองให้รู้ตัวเองอย่างเมื่อกี้เนี่ยรู้ตัวเองแล้วพ อ, พอเราบอกว่าทําอะไรอยู่นั่งอยู่ก็กลับมารู้ตัวเองใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้การกลับมารู้ตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันรู้มันรู้ด้วยสติ แล้วก็มารู้ตัวเองคือรู้ว่าตัวเองนั่งแต่มันรู้ด้วยสติลองตรวจสอบนะเวลาเราปฏิบัติทำเนี่ยอะไรมารู้ตัวเราอะไรมารู้ตัวเองเอาตัวเรามารู้ตัวเราอืมกับมีสติมารู้ตัวเราเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับดินเนาะเอาตัวเรามารู้ตัวเรากับมีสติมารู้ตัวเราต่างฟ้ากับดินยกตัวอย่างเดี๋ยวให้โยมลองทำข้อสอบ ยมลองหาตัวเองดิหาให้พบเดี๋ยวนี้เลยหาตัวเองแล้วใครพบว่าพบแล้วตัวตัวเองนี่ลองบอกก่อนหาตัวเองเลยตอนเนี้เราเชื่อว่าเอาตัวเราแล้วมาหาตัวเรานึกออกไหมก่อนที่เราจะบอกว่าให้หาตัวเองยมไม่ได้หาแต่พอบอกหาตัวเองปั๊บเอาตัวเรามาหาตัวเองนึกออกไมหลงนี่อย่างนี้หลง หลงนะคือหลงยังไงหลงไม่รู้ว่าเราอะไปหาตัวเราเออเห็นไมมีเราเมื่อก่อนอนะอาจจะมีตัวเราอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> พอบอกว่าโยมไปหาตัวเราทีมันก็สร้างตัวเราอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปหาตัวเราจริงไหมเนี่ยถ้าเก็ตตรงนี้เราจะรู้เลยว่าที่ผ่านมาหลงทั้งหมดเลยมันนั่งเอาตัวเราเป็นผู้รู้อยู่เป็นผู้จ้องเป็นผู้เพ่งเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยไปเห็นอะไรมากมายเลยไปเห็นอนิจจังไปเห็นทุกขงังไปเห็นอนัตตา อย่างนี้เขาก็เรียกว่าหลงยังไม่เปลี่ยนมาเป็นรู้ถ้าเปลี่ยนเป็นรู้คือรู้ได้ไงเอารู้ว่าหลงแล้วรู้ว่าหลงเอ า, เอาตัวเราไปหาตัวเรารู้ว่าหลงมันลึกนะธรรมะแต่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดฉากรเลยเปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็นหลงเปง็นรู้แต่จริงภาษาของท่านนะตั้งแต่อนุบาลจนถึงอรหันนั่นนะ <laughs> <laughs> เอะเาเดี๋ยวเกตไหมเมื่อกี้บอกว่าพอเราบอกว่าให้หาตัวเองเนี่ยเอาตัวเราไปหาตัวเราใช่ไหมเข้าใจไหมตรงเนี้ไม่งงนะถ้าไม่ ถ้างงเราต้องยังไม่ผ่านเมื่อกี้ความรู้สึกว่าเอาตัวเราไปหาตัวเราไหมคือคือเหมือนกับว่ายัางะห ร, หรือแบบไหนเมื่อกี้ลำออเอาบอกว่าค่อยาไปเออแล้วทำยังไงพฤติกรรมเออเอาตัวเราไปดึงใช่ไหมเอาตัวเราเริ่มเอาตัวเราเลยมีตัวเราเริ่มมีตัวเราแล้วเริ่มปฏิบัติการแล้วเอาตัวเราเนไม่รู้เก็ตกันหมดไหมอะ ถ้ารู้ตรงนี้นี่เป็นประสบการณ์จากการฟังแล้วและต่อไปมันจะรู้ได้เร็วว่าเฮ้ยเอาตัวเราไปหาอีกแล้วมันก็ก็หยุดหาเพราะอาการหานั่นแหละคืออะไรล่ะ <c oughs> เหมือนขี่โคไปหาโคเป๊ะเลยอะขี่โคมันขี่อยู่แล้วเนี่ยหาวัวเนี่ยมันตั้งขี่วัวอยู่เนี่ยพอก็บอกเฮ้ยไปหาวัวพร้อมกันเลยมันนึกว่าวัวเนี่ยมันอยู่ตรงอื่นนะขี่ไปขี่วัวเนี่ยพอจนกว่ามีคนมาบอกว่าเอา้าวัวที่ ถ้าใครหาเนี่ยมันตัวคียอยู่เนี่ยหรืออาจจะนึกได้ขึ้นเองว่าเอ้ากลัวอยู่นี่เมื่อกี้ก็เหมือนกันฮะตอนไม่หาเนี่ยไม่เห็นหาพอบอกหาปับ๊บเอ้าเริ่มช่างตัวขึ้นมาแล้วออยตัวนี้ก็ไปหาไอ้ตัวนูน<อ>น้นเนี่ยหลงแยบเยเลยมันไม่ใช่สติรู้แต่ถ้าให้สติรู้ทํำยังไงก็ต้องไม่มีตัวเราเป็นผู้หาให้มันระลึกได้เองให้มันระลึกได้เองอแต่ที่เราทุกวันเนี้เราฝึก เราก็หัดฝึกระลึกแทนสติไว้ก่อนถูกไหมช่วยมันฝึกเอาตัวเราเป็นผู้เอาตัวเราเป็นสติไปก่อนแรกๆแต่ต่อไปเนี่ยมันจะสติระลึกรู้ได้เองว่านั่งอยู่จริงหรือเดินอยู่จริงที่เราพูดอย่างนี้ลองทดสอบท น, นะว่าเราปฏิบัติแบบไหนแบบเอาตัวเราไปรู้หรือมันรู้ได้เองนะรู้ได้เองเนี่ยเรายกตัวอย่างนะที่มันรู้ได้เองแบบร้อเปอร์เทั้งสติแบบโลกโลกทั้งสติแบบธรรมะ เช่นสติแบบโลกโล ก, โล ก, โลกอาจารย์วิสารเทพเป็นใบจำเช่นลืมลืมปิดประตูบ้านละลืมล็อกประตูรถบ้างล่ะขณะที่ลืมมันไม่รู้ถูกปะแล้วอยู่ๆเดินไปเดินมามันผุดตึงขึ้นมานึกได้ขึ้นมาว่าลืมเนี่ยไอผุดตึงขึ้นมาแบบเนี้ยมันรู้ด้วยสติมันไม่ใช่รู้แบบเราคิดเอาว่าเอ้ยอะไรเงี้ยมันมันผุดดึงขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยของแท้ไอที่เราทํามานี่ส่วนใหญ่เป็นของปลอม แต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดต้องอาศัยของปลอมไปก่อนเออต่อมาเมื่อรู้จักของจริงเราก็จะรู้ว่าของจริงคือไม่มีตัวเราเป็นผู้ระลึกได้แต่มันเด้งดึ๋งขึ้นมาระลึกได้เองนะเอา้าหรือว่าเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเป็นสติแบบโลกโลกะไ อ, เอ้เรื่องเรื่องลืมกุญแจใช่ไหมถ้าเรื่องสติแบบธรรมะเป็นยังไงเช่นโยมนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนั่งนั่งแล้วก็มันคิดอะไรใจลอยนะ ไอตอนใจลอยมันไม่รู้หรอกแล้วอยู่ๆมันดึงขึ้นมาว่าเมื่อกี้มันเผลอไปฟังอยู่ดีๆแล้วมันหายแวบแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามันเผลอตัวมันมันลืมตัวอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าระลึกได้เองระลึกโดยชอบด้วยนะแบบเนี้ยเป็นสัมมาสติเพราะระลึกรู้รู้ที่ตัวเราว่าตัวเรานี่มันมีการลืมฟังอยู่แล้วก็เผลอไปคิดแล้วนึกขึ้นได้ปึงขึ้นมาว่าเมื่อกี้ใจลอยเนี่ยเป็นสติธรรมชาติสติบริสุทธิ์เป็นการระลึกได้เอง แต่ถามว่าเมื่อเข้าใจอย่างนี้จะทําให้สติระลึกได้เองเนี่ยจะทำจะทำทำได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าทำมันก็ของเทียมอีกเพราะฉะนั้นระลึกได้เองคือมันต้องระลึกได้เองด้วยตัวมันเองนะทีนี้ที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้รู้จักว่าไอ้ธรรมะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมี2 ส, ส่วนส่วนหนึ่งระลึกได้เองโดยชอบส่วนหนึ่งอ่ะเราเป็นผู้ระลึกได้เองโดยโดยชอบแบบเราเราใช่ไหมไม่ได้โดยชอบแบบจัดรู้ไม่ใช่โดยชอบแบบถูกต้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลือกเอาไม่ได้จะให้ระลึกได้เองจะทําให้มันระลึกได้เองไม่ได้เด็ดขาดเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าต้องระลึกได้เอง oui. <bee> เพราะนั้นที่ทําได้ก็คือเจตนาจะระลึกพยายามคิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นตัวช่วยแต่เราก็พบได้ว่าไอ้ระลึกได้เองมันก็มีไอ้ระลึกได้แบบเอาตัวเราไประลึกมันก็มีแต่มันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คืออะไรเรามารู้รู้ว่าระลึกได้เอง รู้ว่าเจตนาระลึกมันมีอีกอีกสเต็ปหนึ่งไอตัวนั้นแหละไอตัวไอตัวที่มันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นมันเลยมันพ้นไปจากของคู่แล้วคือระลึกมันคุมันพ้นไปจากการเจตนาพ้นไปจากการไม่เจตนาตัวเนี้ยเรื่องงงและพอพูดระดับนี้งงแลละตามไม่ทันเอาถอยกลับมาก่อน